ในลุนคือพ่อของปวงชนชาวไทยทุกคนเทิดพ่อไว้หล่นกล่าวจะหาพ่อใครยิ่งใหญ่เท่าพ่อของเราพ่อแบ่งบันเท่าพ่อเฝ้าพ่อคอยอุวง เหมือนกันไม่เดียฉันใครเน็ตเหนื่อยเท่าใดพอไม่พอไม่ไมายเลยพอคือพ่อของลูกไทยเป็นทุนรวมดวงใจหาใดเปรียบเลยหากใครคิดมายำยี่ตายฝาทุลีเพราะปีชีพเลยอยากจะหาขา ม, มาเอื้นเลย อยากจะหาขามาเงินเอ่มาที่เปลี่ยบปลอยพระบารมีถึงเวลาและเพื่อนไทยเฮยอย่ามัวนิ่งเชยเพื่อนเอ่ยจงทำความดี สร้างคุณความดีหมอเป็นพรีให้ในลวงรา คือพ่อของลูกไทยเป็นทุนรวมดวงใจหาใดเปรียบเลยหากใครคิดมาย่ำยีตายฟาทุรีเพรอะพี่ทพย์เลยอยากจะหาขา ม, มาเอือนเอ่ยอยากจะหาขา ม, มาเอือน อ, อย่ามออัวออนิ่งเฉยเออพื่อนเ อ, อ๋ยจงทําความดีตอบแทนแผ่นดินเลิกกงเลิกกินเสียทีสร้างคุณความดีหมอเป็นทีให้ในหลวง